50 languages. t w e n g a a ในโรงแรมการร้องเรียน Hotel me shikayat. ฝักบัวใช้งานไม่ได้ Shower चल नहीं रहा है. ไม่มีน้ำอุ่น गर्म पानी नहीं आ रहा है। कुन मासॉम मन दाई में का क्या आप उसकी मरम्मत करवा देंगे? नहीं हॉंग नहीं थोरसाप कमरे में, में टेलीफोन नहीं है। नहीं हॉंग नहीं थोरतास कमरे में टीवी नहीं है। हॉंग नहीं र ब ि य ं ग ห้องนี้เสีย न ดังเกินห้องนี้เดังเกินไปห้องนี้มืดเกินไปห้องนี้เสียงเกินไปห้องนี้เล็กเกิห้องนี้มืดเกินไปห้องนี้เสียงดังเกินไปห้องนี้เล็กเกนไ ฮีเตอร์จัล่ะฮเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานเอร์คอนดิชเนอร์ล่ะฮโทรทัศน์ไม่ทำงานทีวีขรับดิฉันไม่ชอบเลยยมุจพัสนหยมันแพงเกินไป ยี่่งแพงมากค่คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมคะที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมคะที่นี่มีที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมคะที่นี่มีที่พกเยาวชนใกล้ที่นี่มี มีรา้านอาหารใกล้ที่นี่มีไหมคะคค ท, ที่นี่นสาจะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆ